ขอความเจริญในธรรมจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะนำเสนอเรื่องเปียสูตรสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนคือวันก่อนนั้นได้พูดเน้นไปที่พระราชจำรัดของพระเจ้าประเสนที่กศน ที่กราบทูลในลักษณะแสดงความคิดเห็นของพระองค์ถวายพระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยโดยเจความก็คือว่าคนที่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจนั้นแม้จะกล่าวว่ารักตนก็ชื่อว่าไม่รักตนประวาการกระทาของเขานั้น เป็นการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนแล้วก็เบียดเบีย น, นบุคคลอื่นให้เดือดร้อนซึ่งทุจริตทั้งสมประการกล่าวโดยสรุปก็คืออกุศลกำหมดทั้งสิบประการแล้วถ้าเราสาวลึกไปมันก็เกิดมาจากโลคกฎลงถ้าสาวลึกไปกว่านั้นก็มาจากกบิชาแต่อาการที่ปรากฏเป็นรูปธรรมสัมผัสได้ ก็คือกายกรรมสามกับปจิกรรมสีสสส่คือปานาธิบาตตินาทานกามิสุมิชาอาจารย์พุทเทศพุโสเสียดพุกรมยาพุทเลวไหลแล้วนั้นมันเราสามารถมองผ่านอาการทางกายทางวาจาได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าขนาจิตเขาเนี่ยมันคิดยังไง อย่างที่บอกไว้ว่าคนเรานั้นมีมายามีเสแสร้งมีโอ้อวดมีแข่งดีมีมานะมันเยอะที่เข้าจะยากแล้วคนกลุ่มหนึ่งก็คือแม้จะกล่าวว่าไม่รักตนแต่ถ้าดำรงตนอยู่ในสุจริตทางกายทางวาจาทางใจเขาชื่อว่าเป็นพุรักตน บุคคลผู้รักกันนั้นจะทําประโยชน์เกื้อกูลต่อกันทางการประพฤติสุจริตของคนคนหนึ่งมันมีผลกระทบต่อคนอีกคนหนึ่งหรือหลายๆคนก็นแล้วแต่สถานะของบุคคลผู้นั้นในทางสังคมว่าเขาเป็นยังไงสุทุกข้อเนี่ยถูกต้องยุติด้วยเหตุผลและความดีงามแล้วก็เป็นความจริงสากลมันก็ทําให้เรามองเห็นได้อีกอย่างหนึ่งว่า ในความจริงสากลเนี่ยทุกส่วนของโลกเนี่ยเรียนรู้กันเข้าใจกันได้บางเรื่องเนี่ยก็มีความลึกซึ้งลดลานกันขึ้นไปแต่ถ้ามองในฐานะที่เป็นนักศึกษาคนหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ศาสนาต่างๆมาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าศาสนาต่างๆที่แยกเป็นเทวนิยมกับเทวนิยม เทวนิยมเองเขาก็สอดคล้องกันโดยเฉพาะระดับศีลธรรมจัญญาเนี่เรียกว่าไปกันได้ตลอดลนะฮะยิ่งถือว่าอย่างเคยตั้งข้อสังเกตว่าวงการาศาสนาแต่ละาศาสนาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงจะไม่ติดต่อประสานสัมพันธ์กันโดยเฉพาอะอย่างยิ่งขึ้นในหมู่นักบวชหรือผู้นำทางาศาสนา แต่มาว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากมานะทิฏฐิคือมานะว่าเราเนี่ยเลิศ ก, กว่าเขาสูงกว่าเขาแล้วก็ทิฏฐิคือความเห็นว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นพวกนอกรีตด้วยลักษณะเหล่านี้แม้ในคณะสงฆ์เราเนี่ยในในในในประเทศไทยเนี่ย คณะธรรมยุตกับมานิการเนี่ยมันมีความคิดอยู่ในยุคหนึ่งถ้าถามเลลวลานี้ยังมีความคิดไหมมันก็มีนะฮะแต่ว่าเราไม่รู้ความคิดใครแตนั่นเองคืมอ ง, งอีกค่ายหนึ่งเหมือนกับไม่ใช่พระแล้วก็สุดแสดงอาการอังเกียตเดือดฉันกันซึ่งเวนี้มาบรรยายอบรมประสังคาติการที่ไหนก็จะเน้นเรื่องตรงนี้มาก แล้วก็เตือนในท่านตรหนักเพรายตรงนี้คือมอรดกบาปที่ฉาบทาแผ่นดินเอาไว้ให้ความเป็นพูดแต่มันพร่ามัวเศ้ามองคือหลักการพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักการที่จะสร้างความเสมอภาคในด้านศีลกับด้านทิฏฐินั้นคือสุดๆเลยหมายความถ้าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอกันและอย่างอื่นจะขับเคลื่อนไปเองโดยธรรมชาติกันเอ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะปรับเข้าหากันโดยมีจุดกลางอยู่ที่าศาสนธรรมแล้วก็ใช้หมู่คณะตัวเองใช้นิกายตัวเองใช้กิเลสตัวเองมันก็คือมานะกติติแล้วก็เป็นตัญหา คืออยากให้คนยอมรับนับถือตัวเองว่าเป็นพระในขั้นที่ให้คนเขาไปเจรคนอื่นว่าไม่ใช่พระเรารู้ได้อย่างไงเขาไม่ใช่พระแล้วเรารู้ได้อย่างไงว่าเราเป็นพระที่ถูกต้องพระศาสนาที่ยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยเรายังไม่สมบูรณ์หรอกอยังไงเราก็ไม่สมบูรณ์ มันเป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่กระทําให้สมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาไปถึงไหนเมื่อก็อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวเรื่องพยายามกันต่อไปพนตอนนี้ยังกลายเป็นความถูกต้องพระเจ้าก็ส่งย้ำเตือนเป็นการให้สติคือสรุปในลักษณะาการให้สติว่าบุคคลถ้าบุคคลพึงรู้ว่าตนเป็นทิรักไม่พึงประกอบตนด้วยบาป เพราะความสุขนั้นไม่เป็นผลที่คนผู้กระทำชั่วจะฟึงได้โดยง่ายเพราะอะไรเพราะว่าทำไมจึงใช้ว่าได้โดยง่ายมันน่าจะใช้ว่าไม่ได้อันนี้ก็คือเหตุผลในกระบวนการของกรรมเราจะเห็นว่าไอาการเสวยผลบางอย่างที่เราสืบสาวที่ไปที่มาไม่ได้เนี่ยจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตาม แสดงว่าส่วนนั้นเป็นผลของอดีตกรรมเราเห็นนายกเนี่ยทาชั่วมากแต่นายกอยู่เย็นเป็นสุขเลย แ, แสดงในขณะนั้นกุศลกรรมในอดีตอยังให้ผลแก่เขาอยู่ซึ่งฐานะของเขานั้นอาจจะเป็นอัปราป ร, รบเบญเนียกรรมคือกรรมที่ผ่านพบชาติมาเยอะๆหรือ เป็นอุปปัชชะวินัยกรรมคือกรรมที่เขาทำในชาติก่อนก่อนที่จะมาเกิดแต่ว่าหลักที่แน่นอนที่สุดเนี่ยคือเป็นอาัถานะคือเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ทำชั่วแล้วจะรับความสุขความเจริญจนถึงบังเกิดในสวรรค์เพราะการกระทำชั่วอิเทศแต่ที่นี้พระกรรมเนี่ยเรารู้เฉพาะกรรมปัจจุบันแต่ว่าอดิตกรรมสองช่วงใหญ่เนี่ยเราไม่รู้ ผลผลที่ปรากฏบางอย่างมันก็เป็นเรื่องอดีตกรรมถ้าเราปรงตกให้ได้ตรงนี้มันก็เบาบางลงไปกับจิตใจก็จะผ่อนคลายลงไปแต่ถ้าไปโทนโน้นโทนนี้มันก็เกิดอากาศเครียดมันไม่ใช่ลัติกรรมเก่าตรนี้อย่าไปคิดว่ารัติกรรมเก่าแต่ว่าเป็นกระบวนการของกรรมซึ่งก็หมายความว่าในขณะที่กรรมเก่ากำลังให้ผลอยู่นั้นแหละ กรรมปัจจุบันอาจจะตัดรอนอยู่ก็ได้บาปปัจจุบันอาจจะตัดรอนอยู่ก็ได้ว่าเขาน่าจะมีสุขมากกว่านั้นแหละแต่ว่าพอปัจจุบันก็ทําชั่วเสียเลยก็ความสุขจึงได้ลดลงแต่พอพวกนี้เขาให้ผลเสร็จเนี่ยมันก็เป็นโหสิกรรมถึงคราวกรรมชั่วให้ผลเขาจะเป็นไปตามกรรมชั่วที่เขาก็ทําไว้แต่แน่นอนว่ากรรมชั่วเนี่ยมันก็มีทั้งอดีต อดีตไกลหรืออดีตใกล้กรรมดีก็มีทั้งอดีตไกลอดีตใกล้แล้วก็ปัจจุบันขณะผะการได้อย่างรู้ว่าผลที่ปรากฏในขณะนี้เป็นกรรมอะไรเนี่ยคือเอาจจริงๆเราเชื่อโยงไม่ถูกนะแล้วเราก็มีแนวความคิดในแนวเชื่อโยงแต่เราไม่เคยถึงรายละเอียดหรอกว่าอันนั้นมันใช่หรือเปล่าเช่ น, ะนสมมติว่า คนไปตัดมือสัตว์อะไรแต่างๆตัดเท้าสัตว์ตัดมือสัตว์แล้วเกิดมาแล้วลูกเกิดมาก็มีเท้าพิการหรือพิการบอกว่าเป็นพระกรรมของคนคนนั้นแต่จริงก็เป็นกรรมของเด็กคนนั้นแต่พอดีกรรมมันเกิดเสมอภาคกันเกิกรรมประเภทเดียวกัน มันก็ลักษณะคล้ายๆกับคนที่ทําผิดมาด้วยกันเน่ยคนละทิศละทางแล้วก็มาอยู่แดนเดียวกันเพราะฉะนั้นในสงสารวัตรเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะอย่างนั้นในแนวของบุเพสันนิวาสกับแนวบุเพกตะปุญญตาในเมื่อเคยทําบาปร่วมกันมาเมื่อในเมื่อมีการทําบุญร่วมกันมาในการก่อนก็แสดงว่ามีการทําบาปร่วมมาในการก่อนร่วมกันมาในการก่อนอย่างในปัจจุบันเนี่ย เราสังเกตว่าคนบางพวกนี่ทำช่วยทำชั่วด้วยกันบางพวกก็ทำดีด้วยกันนะแล้วก็ได้ดีได้ชั่วไปด้วยกันผลกรรมเหล่านั้นก็ตามไปให้ผลในภพชาติต่ อ, ตอไปในตามปกติแล้วเรามองกรรมเ่านีไปข้างหน้านะฮะโดยไม่ได้นึ ก, กว่าที่จริงข้างหลังมันก็อยู่คือแสดงว่าปัจจุบันนที่จริงมันอยู่ตรงกลาง กรรมในอดีตเนี่ยกรรมในนาคตยังไม่มีเรายังไม่ได้เกิดเราไม่อยู่ในนาคตเราอยู่กับปัจจุบันเพราะมันมีกรรมอดีตเพียงแต่อดีตใกล้อดีตใกล้กับปัจจุบันจนถึงปัจจุบันขณะปัจจุบันนานขนาดไหนก็เป็นอดีตใกล้นะอยู่ในกลุ่มของอดีใตใกล้ภาษาขาวว่าปัจจุบันก็คือขณะนั้นเลยต่อยเพื่อนปังนะเพื่อนเตะโครมกไปเลยอันีนน่อัคือคือเรียกว่าได้กันคนละขณะนั้นนั่น ด่ามาก็ด่าไปนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบันเพราะต้องเข้าใจว่าคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยให้เราสังเกตฮนะบุญยังโจเรหิดูหรังบุญโจรนําไปได้ยากอันนี้เป็นคําถามของท่านอารรถกยักต่อพระพุทธเจ้าในอรรถกสูุทธิเจ้าใช้คําว่าได้ยากนะฮะ เพราะอะไรเพราะโจรคนเนี้ปัจจุบันก็นเป็นโจร จ, จริงแต่ชาติก่อนๆชาติก่อนละ่ะแกจะทำความดีและความดีมาให้ผลแกเราก็นึกว่าแกรับผลจากความชั่วแต่ที่จริงไม่ใช่แกรับผลของความดีเพราะั้นตรงตรงเนี้ถ้าเราไปดูในมหากรรมพังในสูตรที่จรงพุทเจ้าแยกเป็นสี่ข้อกันนั่นเองนะฮะแต่ทีข้อมันจะครอบเป็นกฎของสากลจักรวาละ ครอบหมดเลยแล้วก็ให้รายละเอียดไว้ในจุลกรรมมังวิพังกจุลกรัมวิวิพังกสูตรในมันชฌิมกายทั้งคู่นะครับแล้วก็กูดกรรมโดยกําเนิดคือหมายความว่ากรรมที่ตัวสร้างนามรูปอะเรียกกรร ม, มัชรูปคือกรรมที่สร้างให้เป็นรูปขึ้นมารูปสวยรวบเหมืสวยผิวพรรณดีผิวพรรณไม่ดีตระกูลสูงตระกูลต่ำอะไรต่างๆเนี่ย นี้ก็ทรงจำแนกแสดงถึงเหตุที่มาแต่ต้องเข้าใจว่าตรงนั้นพูดเฉพาะในกรณีที่เป็นชนกกกรรมหกรรมที่นำให้มาเกิดแล้วก็พอพูดกรรมอื่นก็ต้องพูดเรยประเด็นอื่น เ, เรียกปริยายปริยายที่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมแล้วก็ทรงย้าเตือนถึงปัญหาที่มนุษย์ต้องประพฤติตนอยู่ในอกุศลกรรมบทเนี่ย ไดยรับสั่งว่าเมื่อบุคคลผู้ถูกมรณะครอบงำละทิ้งพบมนุษย์ไปอยู่ก็อะไรเป็นสมบัติของเขาและเขาย่อมผาเอาอะไรไปได้อันหนึ่งอะไรเล่าจะติดตามเขาไปประดุษเงาที่ติดตามคนไปฉะนั้นเป็นการย้ำเตือนคือพระเจ้าประเสริฐกุศลแสดงเป็นเรื่องปัจจุบัน เราสังเกตพระเจ้าประเสริฐที่กุศลแสดงเป็นเรื่องปัจจุบันแต่พระเจ้าแสดงเป็นกระบวนการกระบวนการของกรรมที่ตามมาข้างหลังแล้วกำลังปรากฏอยู่ในขณะในแต่ละขณะซึ่งหมายความว่าจริงๆกรรมอนาคตไม่มีเพราะว่าพอมาถึงมันก็เป็นปัจจุบันมันก็อยู่ขนณะอย่าเราทําในวันนี้มันก็เราทําในปัจจุบันเราไม่ได้ทําในอนาคตเพราะอนาคตเราทําไม่ได้ เรายังไม่ไปเรายังไม่เกิดตรงนั้นมันก็มีกรรมเฉพาะในอดีตกับปัจจุบันอนาคตจึงแปลว่ายังไม่มามันมาแล้วมันก็เป็นปัจจุบันทุกทีอะพอผ่านไปก็มาพั๊บเดียวไปแล้วมันก็เป็นอดีตเพส่วนใหญ่มันจึงเป็นเรื่องอดีตแล้วกรรมในอดีตเนี่ยอย่าไปคิดถึงชาติก่อนเสมอไปเราจะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ คนทําชั่วในเดือนก่อนปีก่อนปีก่อนก่อนก็ได้รับผลของความชั่วทาดีในปีก่อนก่อนเดือนก่อนก่อนตลอดวันก่อนก่อนหรือแม้แต่นาทีก่อนก่อนก็ได้รับผลของความดีเหล่านั้นแต่ว่าท่ า, ายังมองว่าสังคมเรามีปัญหาเรื่องกรรมเยอะมากๆไม่พยายามทาความเข้าใจไม่พยายามจะมอง ในกระบวนการของเหตุของผลตดยเชนว่าถ้าเรามองทิศทางทางสังคมนี่นะว่ากระแสะความเชื่อเรื่องกรรมที่มาแรงเนี่ยมันรู้สึกอยู่สองสามเรื่องนะฮะคือเรื่องหนึ่งกดแห่งกรรมของพอเลียงไผ่บุญแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพิภพมัจจุราชเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพันเอกสนะ ก็สร้างกรแสได้เยอะแต่เมื่อกลายเป็นเครื่องกระทบฝังเพราะเรื่องเหล่านั้นที่จริงถ้าเราเข้าใจกฎของกรรมไม่ใช่เรื่องแปลกมันเรื่องธรรมดามันเป็นของมันอย่างนั้นเองเป็นตถาตาคือมันเป็นเของมันอย่างนั้นแหละเป็นประสบการณ์ใครก็ตามนำมาเล่ามันก็คือกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ารายละเอียดอาจจะแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมันเหลือก็เราไปใน าสมมติเราไปเที่ยวนในพระรามรัชวังเนี่ยมันที่มันเยอะเรอเที่ยวไม่จบเราก็เล่าเฉ่าะที่เราเห็นแล้วก็พระปรางปราสาทบางองค์เนี่ยเขาไม่เปิดให้ดูเราก็ไม่รูเพราะเรารู้เท่าที่เรารู้ทั้งๆ ท, ที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเรารู้ไม่หมดเรารู้เท่าที่เรารู้มันไม่มีใครรู้ไปหมด เพราะั้นที่มันต่างกันในรายละเอียดบางอย่างมันไม่ใช่มันมันใกล้ๆกับข้าวข้าววัดโคลนมุมนะฮะวัดโคลมุมแล้วก็ไม่มาตลอดของวดัดมันก็เห็นคนละเรื่องแต่นั้นคือความจริงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ตอบเองนะฮะเป็นการถามเพื่อตอบเองเขาเรียกว่ากเทตุกัมมายตาปุชาเป็นการรับสั่งถามเพื่อจะตอบ เพราะว่าส น, สนทนานาอยู่กับพระเจ้าปเสนโกศลนะแล้วเข้าใจว่ามีพระฟังอยู่ด้วยนะมีพระฟังอยู่ด้วยเพราะว่าหลักหลักมันเป็นอย่างนี้คือพระอนุโนมในทั้งขอพรก็พ อ, อ, อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนจะรับเป็นธรำหน้านที่เป็นพุทธุปถากเนว่าพระเจ้าแสดงธรรมในที่ใดก็ตามถ้าหากว่าท่านไม่อยู่ด้วย ขอให้แสดงแกท่านอีกรอบหนึ่งเพื่อท่านจะทรงจําสืบต่อเอาไว้ก็ท่านก็จําแม่นมา ก, กนะนะก็เรียกว่าสมองเหมือนก็เทปอะจำในรายละเอียดก็ได้แล้วงั้นการที่นํามาอย่างนี้มันก็แสดงว่าไม่ได้คุยกันสององค์หรือถ้าคุยกันสององค์เราแสดงพระเจ้า ก, ก็ต้องนําไปเล่าให้พระอานุ์ฟัง แต่ว่าปริยายเหล่านี้ตามปกติการ น, นำเสนอแนวประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยคือเขาจะพูดเฉพาะตัวเอกในเรื่องกับตัวโกงในเรื่องเห็นไหมว่าในในในของของาศาสนาเทวนิยมเนี่ยก็จะพูดถึงพระเจ้ากับไซตอนอาานัสตาลเพราเราก็จะพูดถึงพระพุทธเจ้ากับมาร คนก็มีอะไรและพระเทวทัตพระองคุลิมาอันนี้เพื่อนรู้จักหมดโลกเลยเทวทัตชั่วจนติดโลกนะพระเจ้าดีติดโลกเทวทัตก็ชั่วให้ติดโลกให้ดูเหมือนกันแล้วก็พระองคุลิมา น, นั้นเป็นกระแสขึ้นขึ้ น, นลงๆงแล้วในสุดก็ต้นร้ายปลาย ด, ดีก็เป็นแบบชีวิตอย่างหนึ่ง ของคนประเภทที่ของท่านดจริงไม่ใช่ถึงกับมืดมาสว่างไปแต่จริง ท, นะท่านสว่างมานะฮะท่านสว่างมาแต่ว่าในช่วงตรงนั้นแหละ ท, <c oughs> ท่นานก็มืดไปแล้วก็สว่างมาแล้วก็สว่างไปต่อพอหลังในบวชมันก็เริ่มสว่างแล้วก็สว่างไปเลยคือบรรลุมราคนไปเลยเพหมือนเราเห็นว่าเป็นช่วงเป็นช่วงเปช่วงเปช่วงช่วงแต่ก็อยู่ในชุดตรงนี้มืดกับสว่างมืดกับสว่าง ก็แสดงว่าเป็นการกํากับของวิชากับอวิชาในแต่ละขณะของความคิดการทำของท่านพฤติกรรมของท่านเนี่ยจากเด็กหนุ่มที่นิสัยอ่อนโยนน่ารักมีส ม, มาคารวะเป็นที่รักเป็นที่พอใจทังคนทั้งหลายเนี่ยจนว่าคนระดับเดียวกันดิสยาไอ้นี่ธรรมชาติมนุษย์มนุษย์มันเป็นอย่างไงเนี่ย มนุษย์ได้หาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนเยอะคือถ้ามนุษย์เข้าใจว่าโลกเนี่ยเราต้องรับผิดชอบจริงๆเนี่ยคือกรรมอย่างเดียวเองอะอย่างอื่นมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําตามภาระหน้าที่แต่ว่ามันเป็นผลงานที่ทิ้งอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งที่ตามเราก็คือกรรมแต่ในที่นี้ทรงแสดงว่าผู้ที่ มาเกิดแล้วจำจะต้องตายไปในโลกนี้จะเรียกมัดจะหรือมัดโจนะย่อมทำกรรมใดไว้คือเป็นบุญและบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแหละเป็นสมบัติของเขาและเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไปสู่ปาราโลกอันหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาที่ติดตามเขาไปฉะนั้น ก็ทรงย้าเตือนนะฮะย้ำเตือนนะ เ, นนะเพราะฉะนั้นบุคคลพึงทํากัลยาณกรรมกัลยาณกรรมในประเด็นนี้เอาง่ายๆนะฮะเอาง่ายๆเนะี่ยเอาสักห้าข้อหนึ่งฮะเยอะแล้วนะหข้อก็ทําได้ยากแล้วของพระนี่พูดแค่สี่ข้อแต่นั่นเองฮะของพระพูดแค่สี่ข้อคือศีลของพระนี่ถ้าดูในวิสุทธิมรรคแลต่ท่านนับเป็นแสนโกดเลยไม่รู้อะไร ไม่รู้อะไรกองท่านแต่ที่เรานับได้จริงๆเนี่ยพระเต้าปิฎกเนี่ยอัตตากถาด้วยนะฮะก็ประมาณสัก 2,800 แรแต่พระพุทธโคสาจารย์ท่านบอกว่าท่านละไว้ในเปย์ยานใหญ่เลยก็ไม่รู้จะไว้ไงเราก็ไม่รู้ว่าบัญญัติไว้ยังไงก็หมายความว่าจริงๆเนี่ยคือเรื่องเมืองเรื่องมันมันมันไปนับเหมือนขณะจิตอะนับไปจํานวนมันเยอะไป แล้วทาสูญเสียเวลาในเรื่องเหล่านั้นที่จริงมันไม่จำเป็นอะไรหรอกมันเหมือนกับเราต้องการจะไปที่ใดที่หนึ่งนี่เราถามเฉพาะถนนก็พอแล้วคุณไม่ต้องไปให้รายละเอียดหรอกเราไปเห็นเองเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่า <S 2> <S 2> ในในเรื่องอภิกถาต่างๆมันมีเยอะที่ไม่จำเป็นต้องพูดเราเสียเวลา มันเป็นรายละเอียดบนเส้นทางเดินแต่นั้นเองซึ่งก็สาคัญว่าคุณเดินทางนั้นทีแล้วคุณเจอเองหรอกบอกหรือไม่บอกเราก็ไม่เห็นบอกเราก็ไม่เห็นไม่บอกเราก็ไม่เห็นถ้าเรียังไม่ถึงแต่ถึงเนี่ยบอกหรือไม่บอกเราก็เห็นเราก็สัมผัสได้คือบางทีเนี่ยท่านท่านพูดอะไรเ ป, เปิดไปพูดทำนอง มันก่อนในอ่านคำนำอิสุธิมักนะฮะอิสุธิมักแปลกับในตัวเนื้อเองนะฮะพระพุทธโกศอาจารย์เองก็พูดบอกว่าที่พระเจ้าทรงสแสดงมันย่อมากไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้พูดยังไงอ่ะพูดอย่งนั้นได้ยังไงคือเราจะเห็นว่าเอาก็จริงนี่ภาวนาว่าพุทโธพุทโธไวในคาเย้ยไงแล้วจิตมันก็เดินไปอ่ะ เดินไปถึงจุดหนึ่งปัญญาณ ก, ก็เพิ่มขึ้นสมาธิเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นนะมันก็รู้ตัวก็มัน ม, มีนิสัยใช่ไหแต่ละขนาดขนะดคือเหมือนกับมันไปขัดแย้งกับพระพุทธคุณทิว่าทรงแสดงธรรมเนี่ยงามี่เบื้องต้นท่ารรกลางเลยที่สุดสมบูรณ์ในอัตถและพญาน ะ, นะพระพตั้งแาจารามพูดอย่างนั้นมันก็เสียเรื่องหมด แล้วก็ลูกศิษย์ที่ที่คือคือพระที่ศึกษาเนี่ยคือท่านท่านลืมไหมว่าคือเราอย่าไปให้ใครสําคัญกว่าพระพุทธเจ้าสิพระเจ้าเป็นสยามภูนะเป็นตรัสรู้เพราะงั้นทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แล้วมันเป็นอนุโลมเทศนาให้มีจริงเถะนะเอาเนี่ยฮิริโอตับอตปะเนี่ยเป็นธรรมะคุ้มครองโลกแต่คุณมีจริงหรือเปล่ามีจริงมันจะกินเนื้อหาสาระ ครอบจั ก, กรวาล น, นะฮะทุกครั้งเนี่ยมันทําได้เฉพาะบุญนั่นเองเพราะละอายบาปแล้วก็กลัวต่อตัวบาปเรนคิดก็กลัวบาปทําก็กลัวบาปพูดก็กลัวบาปมันก็ทําได้ดีก็เท่านั้นยังอื่นก็มาเองแล้วก็เป็นกระบวนการธรรมะมันเป็นกระบวนการอย่าไปคิดแต่มันรุงรังพันเตขณะนั้นเลยยุ่งตายเลย ให้ลองนึกดูกันเลยกันอย่างที่ก็ยกไปอย่างให้ฟังว่าเรารักแม่คําเดียวเนี่ยเรารักคนเยอะเลยที่เกี่ยวกับแม่เราในทางบวกนะฮะเราไม่จำเป็นต้องนับหรอกนับก็นับไม่ไหวนับไม่ถูกไม่รู้ใครบ้างเพราะบางคนเราไม่เคยเห็นแต่พอเรารู้ว่าเกี่ยวข้องกับแม่เราก็รักตอนนั้นเองไม่ได้มีพิเศษอะไรเลยนี่คือบวนการทางจิตที่มันเริ่มต้นที่รักความรักมันก็เกิดจากความรัก ความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความรักทีนี้พอถึงจุดหนึ่งในี่ใครไปทําอะไรคนที่รักมันก็จะเกิดความโกรธก็เป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธแล้วพอคนหนึ่งเป็นศัตรูกับคนที่เราโกรธอ้าเรารักเขาก็กลายเป็นความรักที่เกิดจากความโกรธมันเป็นกระบวนการกันนะฮะกระบวนการมันที่มันมันโยงไปโยงมารุงรังไปหมดเลยนะฮะแต่เราสาวจับให้ได้แล้วก็จะเจอต้นเหตุนเนี้ยอ๋อไอ้นี่มาจาก เห็ไหมว่าตรงนี้ที่จิงมันมาจากวิชาการวิชาก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่มันขัดแย้งกันนะคุณว่าคุณรักตนนะทไมคุณต้องทําอย่างเงี้ยคุณไม่รักตนทําไมคุณต้องทำอย่างเงี้ย ม, ม, มันตอบไม่ได้ทั้งคู่แต่จะบอกอยังไงก็าตามก็ชื่อว่ารักตนถ้าเขาเดินไปถูกทางเนี่ยเขาจะบอกว่าเข้าไป ที่นันหรือไม่ที่นันก็ตามแต่ก็เดินไปเรื่อยเขาถึงถึงเอ ง, ง, เ, องเพราะันการปฏิธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นส่งสงย้ำเตือนนะว่ากัลยาณกรรมกรัลยาณกรรมสมัตชาวบ้านเนี่ยนะสมัชาวบ้าน เ, นเอาสักห้าข้อเนี่ยคือหนึ่งเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสองเลี้ยงชีพในทางสมาชี สามระมัดระวังในเรื่องเพศระมัดระวังมากนะเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงแต่เรื่องเพศอ่อนไหวมากๆแล้วตั้งแต่โลกมีมนุษย์มามันอ่อนไหวจริ ง, งอยู่เนี่ยยางพระเนี่ยเรื่องเพศจะอ่อนไหวที่สุดเลยตายไปครึ่งตัวนะฮะใครถูกโจทย์เรื่องเรื่องเพศยุ่ยงตายไปครึ่งตัวเลย ก็เรียกว่าผุดเกิดได้ยากแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยสามีก็ให้ยินดีเฉพาะพัญญาตัวเองพัญญาก็ซื่อสัตย์ต่อสามีตนเองเดี๋ยวก็ไม่นอกใจกันนะแล้วก็พูดคําสัตย์คําจริงเอาคําสัตย์คําจริงคําเดียวเราลองสังเกตเห็ว่าคําสอดเสียดมันก็เท็จ คำเท็จเลยมันก็เท็จคำหยาบคำด่าทั้งหลายนี่นก็เท็จคำเพ้อเจ้อยิ่งเท็จเท็จบวกเท็จเลยเพราะเท็จจึงเป็นเรื่องเป็นเรื่องหลักคือเราเราพูดบางทีผลละความมันเอยอะเลยก็ก็อยู่ที่เท็จนั่นแหละคือเรื่องไม่ตรงต่อความจริงอาจจะเกิดเพราะเราไม่รู้หรือเราเชื่อเขาเลย นะรเราเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยจะข่าวลือแล้วก็ยุ่งทุกทีแหละโบราณถ้าต้งเตือนวตื่นหัวตื่นควายเนี่ยห้ามได้ตืต่นคนนี้ห้ามยากดีไม่ดีถูกเหยียบแหละเพราะอะไรเพราะว่าเราขาดตัวการบางอานคือสติพลการยานธรรมเนี่ยจริงๆเอาห้าข้อเนี่ย เอาเมตตาเอาสามาชีพเัียงชีพไปทางที่ชอบเอาสำรวมระวังในเรื่องเพศแล้วก็พูดคำสัตย์คำจริงดำรงอยู่ในสัจจะแล้วก็มีสติทีนี้อาจจะรู้สึกมากทีนี้ถ้าเรามองจากระบีวนการเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยในโลกมันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตเมื่อเราเมตตาแล้วมันก็นอกจากสิ่งสิ่งไม่มีชีวิตก็คือสิ่งที่มีเจ้าของแล้วเราเมตตาต่ตัวเจ้าของเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เราไปลวกเกินเขาไม่ได้เห็นไหมโลโกโปัตถธรรมปิกามิตต่เมตาเมตาจะเป็นธรรมคำจุนโลกได้หรือสติเนี่ยสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกัน้นความเลวร้ายทั้งหลายไว้หรือสัจจะหรือเรารงอยู่ในสัจจะเนี่ย จะเราสมาทานสีเนี่ยเป็นสัจจปฏิยานเป็นสัจจวาจาจาระศึกษาได้ยังอื่นมันก็ไม่มีปัญหาพอนธรมจึงขอให้มีจุดเริ่มต้นที่ธรรมะแล้วนอกนั้นจะขับเคลื่อนเข้าสู่กระบวนการของธรรมะได้เองโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปนับพ่ออะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นจะจะเห็นได้ว่าเรื่องของกรรมเนี่ย มีข้อที่น่าสังเกตว่าที่พระเจ้าทรงใช้คำคำว่าเมื่อมนุษย์ถูกมรณะครอบงำละทิ้งพบมนุษย์ไปอยู่ก็อะไรเป็นสบัติของเขาและเขาย่อมพาเอาอะไรไปได้ตรงกับคำกรนที่ท่านกล่าวคำกรนบทนี้มาเอามาอ้างบ่อยพูดบ่อยนะะแล้วก็รู้สึกแพร่หลายนะ มันก็ทึ่งในความคิดในความคิดของท่านก็สืบอยู่แต่ว่าก็มีลูกศิษย์พุทธทาตก็เอาไปใส่บอกขอนท่านพุท ธ, าธทาตุจริงไม่ใช่อะเป็นพระกรรมฐานแต่อยู่วั ส, สุทัศน์แล้วก็ท่านเขียนเอาไว้องค์นี้ไม่ปรากฏชื่อเสียงแล้วมีองค์หนึ่งในชื่อชื่อมหาวิจิตอยู่วัดมาธาตุรุ่นรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นเก่า เขียนอะไไปเยอะเมกันเขียงคงคมคือมันมันมันมันแสดงถึงถึงความเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วก็เป็นผลของวิปัสสนามันเป็นภาษาใจคืออ่านปั๊บเลวก็ปิ้งเลยจําได้เลยมาพบคนละขาวคนละขี้แล้วก็ห่างกันหลายปีบทที่สองนี่เราพบที่โลหีันสูง เขามีนิทัศกาลเอาไปดูนิทัศกาลนะก็ไปเห็นบนแรกเนี่ยพบที่วัดพระศรีมาทาตก็เขียนไว้ที่ฝาแล้วก็นั่งรถมองผ่านสองมาทัสนะนะอ่านจบจำได้เลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหคิดได้ลึกขนาดนี้เมื่อก่อนนึกว่ามันคนละเรื่องกันแต่ต่อมา วันนั้นก็แห่พระบรมสาลิกธาตไปปดิสถานที่ท้องสนามหลวงสมัยคุณอาสาเมฆสวรรค์เป็นผู้ว่ากทมหรือกขาบวชที่วัดเนี่ยมาสอนหนังสือเขาเาก็เรียกท่านอาจารย์ก็นั่งรถมาด้วยกันตามหลังรถปดิสถานพระบรมสาลิกธาตแล้วก็เก็ก็ประลบบทนี้ขึ้นอามาก็งงอ่ะ บอกโอ้เออจริงสิมันสัมผัดมันเข้ากันดีนะแต่ว่าที่ที่พบแต่มาพบบทที่สองเกอนแล้วก็พบบทบทแรกบอกว่ายศและลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลไอเนี้ยคือสะท้อนจากพุทธรรมรัตน์ครับเนี้ย ทรัพสมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟแล้วก็เตือนเตือนมันก็คล้ายๆกับบทอนิจจานะฮะบทบางสกุลเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกนเฉไนจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็าไปมือเปล่าไม่จ้ามาเรามาอย่างที่เรามาเราไปอย่างที่เราไป อย่างวันก่อนที่พูดถึงตถ า, าคตนะฮะตถ า, าคตโตเนี่ยมาอยังไงก็ไปอย่างนั้นคือมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปเป็นทางสายเดียวกันระหว่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่มาเส้นทางสายเดียวกันเลยท่านจับแนกไว้ถึงแปดลักษณะทึ่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนนะฮะทีนี้ เบอตัวนี้แสดงถึงสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็อะไรที่ติดตัวได้ล่ะก็คือบุญบาปคุณจะเอาบาปเราบุญโบราณก็เตือนทางเตียนเวียนลงนรกทางนรกบกขึ้นสวรรค์พาทางสวรรค์นเนี่ยมันมันมันวิบากมันเหนื่อยนะมันต้องต่อสู้ทันทานกับกระแสกิเลสกระแสอารมณ์เยอะมาก รู้สึกเหนื่อยแต่ว่าบาปนี่มันไหลนะฮะบาปนี่มันไหลเลยเราเลิกดูถึงว่าคนเข้าไปบาเนี่ยทําชั่วครบทีอขาดศีลหมดเลยสี่อเนี่ยขาดเกล้งเลยนะฮะบางที่อาจจะมากกว่านั้นเพราะเพียงเข้าไปอยู่ในบาแห่งเดียวเท่านั้นแลมาอย่างอัศจรรย์ว่าคนเหล่านี้มีธุรกิจบาร่ารวยกันเป็นเศรษฐี เราดูคนนี่มันทําไมเค้ากันขนาดนี้นะเข้าไปอยู่ได้ยังไงเราก็คือผ่านความเป็นเด็กผ่านความเป็นหนุ่มมาเราก็รู้สึกว่าสงสารคนที่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆ เ, เราก็คิดได้ยังไงไปอยู่ดั้ใหม่เสียเวลาเราก็อยู่บันอ่ะ เห็นคนแก่ตอนเย็นๆนั่งเคว้าขวดเหล้าเหล้าขาวเล้ารวมเล่าเหล้าขาววะอยล้าก็เรียกเล้าขาวอ่ะก็เรียกเล่ารมาาาวม เ, เ, เ, เ, เ, เลยอะไรนี่นะ่ะแนั่งคุยนั่งกินเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้เรื่องที่ลายคนประมาทเพราะอะไรเพราะขาดความสนักรู้ในเรื่องเหล่าเนี้แต่เราะหนักรู้ว่าชีวิตของเรากับความตายเนี่ยมันแหมมัน ือเรียกว่าขวางไวอยเส้นยาแดงผ่าแปดอย่างที่ามาบอกถึงอาาเนี่ยก็ที่จริงขอบใจคุณหมอนะฮะแต่คุณหมอไปบอกโยมไม่จะบอกอามาแล้โยมม า, ลาเล่าให้มาฟังทีแต่มา ก, ก็ไปถามเอาขนาดนั้นเลยเก้าสิบต่อสิบเลยคือตายเก้าสิบนะฮะไม่จะรอดเก้าสิบแต่มาเองไม่ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้น เพราะว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นเน่ยเราเสียได้ที่เราเวลานี้ที่จริงห่วงใหญ่สถานการเราศาสนาก็มากที่สุดอะเรื่องอื่นไม่ไม่ค่อยติดใจอะไรรา่เรื่องอื่นคนเขาก็ทำกันได้เขาแก้ไขกันได้แต่เรื่องศาสนาเนี่ยมันเสี่ยงขึ้นทุกวันอะทุกวั น, นีเสี่ยงมาก แต่เราก็ไม่รู้นะฮะว่ารัฐมนูลฉบับต่อไปเนี่ยจะให้สถานาะพุทธศาสนาเป็นยังไงก็ค่อนข้างค่อนข้างกังวลแต่ว่าเราก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้นะฮะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมแต่ว่าชาวพุทธเนี่ยมันเป็นภาวะพุทธตื่นแต่ไม่ค่อยตื่นตัวนี่คือเรื่องนัากลวแล้วก็ อะไรจะคุณพรมคุณอภรรย์คุณธรมณรมบิดก็จะคุณประยุทธ์เคยพูดในทํานองว่ามองใกล้คิดแคบคือคิดอะไรเอาเฉพาะหน้าตัดสินเอาเฉพาะหน้าว่าต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงคือมันต้องคิดไปข้างหน้าด้วย เราเราเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมบาทิจุนานนะฮะแล้วเราก็เอาขยิงนี่ไม่ได้มองฮนะีโรสลัพากันไปเรื่อยเเรื่องเรื่องเป็นอันมากนะฮะเรื่องใหญ่เรื่องโตก็เฮโรสลาภานี่จะเยอะมากข้อนี้รู้แต่เจ้จาได้ส่งแสดงรับสั่งว่า เอตัปสะที่มังโลกังจิตตังราชาระทูปะมังยัตถาลาบิสีดันตินติสังโฆวิชาเนตังสูรเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุรัสเชรรที่พวกคนเขาค่องอยู่แต่ท่านผู้รู้ไม่ค่องอยู่หาค่องอยู่ไหมพระราชรัที่จริงมันไม่มีนะมันเริ่มจากไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความคิด แล้วก็เริ่มออกแบบตรวจแบบรัฐอะไรตัดสินใจสร้างกันก็ก็ไม่มีอะไรกเกษตรไม้มาจากที่ต่างๆไม่รู้ป่าไหนบ้างป่าไหนบ้างนะฮะสร้างขึ้นมาก็สมมุติขึ้นมาเป็นราชรถแล้วก็เริ่มไหลเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงถึงจุดหนึ่งก็พังชีวิตเราคงก็งงกันเพราะนั่นที่เรามีคําอีกคำหนึ่งที่บอกว่าไปไม่กลับหลับไปตื่นพื้นนั่นมีดีไม่พ้นเนี่ยคือเขามองในเชิงความตาย แต่จริงไม่ใช่ความตายอย่างเดียวนะมันสีเรื่องเป็นสัจจะอยู่4ีเรื่องในตรงเนี้ยไปไม่กลับคือการเวลากับอายุของเราเนี่ยไหลไปไม่กลับเลยเขาเรียกว่าไม่มีหนุ่มขึ้นนะมีแต่แก่ลงไม่มีสาวขึ้นมีแต่แก่ลงแก่ลงเรื่อยๆหรือวแก่ขึ้นก็ได้นะฮะเจ้าขึ้นหรือเจาลงก็ไปด้วยแต่ว่ามันไหลอะ นี่เลือกไปเปกกับการเวลามาแล้วมาเลยไปแล้วไปเลยไม่ได้กลับมาหลับไม่ตื่นเนี่ยหมายถึงคนที่มีความเห็นผิดเป็นวิชาทิฏฐิปลุกยังไงไม่ตื่นนะคนเราเนี่ยพูดยังไงก็ตามมันก็พอช่วยอะไรกันได้นิดๆหน่อยๆแต่จะให้แกไปตวงตัวเองเนี่โอ้พูดยากจังแล้วพื้นไม่มีเนี่ยเนี่ยคนคนตายพื้นไม่มี หนีไม่พ้นเนี่เราหนีไม่พ้นคือเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่เราหนีไม่พ้นนะแล้วก็ไตรลักษณ์เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเนี่เราหนีไม่พ้นแล้วเกิดมาแล้วเราหนีแก่เจ็บตายการพลาดพลาดสูญเสียนี่ไม่พ้นสี่เรื่องนะฮะสี่เรื่องเนี่ยเราหนีไม่พ้นอ่ะมาะมีอย่างเดียว่าถ้าไม่ต้องการอยากเกิดมาถ้าเกิดมาเธอไปเสดยจตรงนี้ไม่ได้หรอกคือเรื่องืองเรื่องจริงเราเลือกได้ แม้แต่เกิดเนี่ยเราไม่ต้องการเกิดก็ได้มันมีหลักการวิธีการที่จะไปสู่ทรงนั้นจบก็ทำนองแค่ๆก็เป็นอะไรเนี่ยเป็นสามีเป็นพัญยาเป็นครูเป็นนักศึกษาเป็นพระเป็นอะไรต่างๆเป็นทั้งหมดอ่ะคือถ้าเป็นแล้วเราต้องทำตามที่เราเป็นถ้าเราไม่ต้องการเป็นก็ได้ก็อย่าถ้าไม่ต้องการทำก็ได้คืออย่าเป็น เรเป็นแล้วต้องถาให้ได้แล้วทาให้ดีแล้วทา ใ, ให้เป็นแล้วทาให้ชอบเลยแต่ทีนี้มันมันขัดแย้งที่ว่าไอ้ความเป็นเนี่ยอยากเป็นเนี่ยมันเป็นตันหามีเชื่ออยู่เยอะภายในใจม น, นุษย์เนี่ยทีนี้การทําเนี่ยเป็นสมมาวิมารมันทวนกระแสความเกลีนนะยดชังนะทวนกระแสความเห็นแก่ตัวทวนกระแสความเกลียดชังทวนกระแสการผัดวันประกันพรุ่งโอ้มันมันมันเยอะเลยมันต้องทวนเยอะ เพราะสังคมเราจะมีปัญหาคนอยากเป็นกันเยอะแต่งานเนี่มันเสียแม้แต่หมู่พระเนี่ยพระองค์เป็นตั้งเจ็ดแปดตำแหน่งอะ่ะแล้วงานก็เสียเรื่องหมดงานเสียเรื่องในพระศ า, าสนาสูญเสียผลประโยชน์ที่จะพึงได้พึงถึงพร ะ, ระองค์ไม่มีงานพร ะ, ระองค์ทำงานกันจนคือเป็นกันจนจนจ น, จนไม่ใช่ทางานอะ่ะเป็นกันจนไม่รู้ว่าฉันเป็นหมดเลยดูแล้วก็น่าสนุ เคยตรวจสอบอะไรการเป็นของกรรมการมหาธิรสมาคมท่านหนึ่งท่ามนภาพไปแล้วท่านเป็นเนี่ยรู้สึกเท่าไหร่อ่ะเจ็ดเจ็ดตำแหน่งที่เป็นตําแหน่งประจําเนี่ยนะเรายังตําแหน่งประธานกรรมการกรรมการอ้เยอะมากๆเลยตอนท่านมนภาพนี่แจกให้พระได้เจ็ดรูปตําแหน่งตัวนี้เอาไปแจกได้เจ็ดรูปโอ้พระเราเนี่ยเไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ย นี่คืออะไรคือเป็นการไม่เข้าถึงความจริงเพราะความเป็นเนี่ยไม่ใช่สาระแต่มันเป็นฐานที่นําไปสู่การทำการเป็นธรรมเราก็ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นพอเป็นแล้วต้องทําตามที่เป็นถ้าไม่ทําตามที่เป็นมันก็อย่าเป็นใครคนอื่นก็เป็นทีนี้ไอ้ความอยากเป็นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นภวะทันหา แล้วก็มีอะไรลาบสการะฤติตามมาเยอะเลยหรือถ้าเรามองกลับไปที่ธรรมะก็ดี ท, ที่วิทย์ในก็ดีเนี่ยจริงเป็นเรื่องที่น่าสงสาราเพราะมือก็เราลืมนะฮะเหมือนก็ลืมเอเราเป็นพลาดนะเนี่ยทำไมจะต้องรินรนกันขนาดนั้นล่ะไอเนื้อหาสาระจริงๆเดี๋ยววันหลังจ ะ, จะเอาพรห ม, มจรรยสูตรมามาคุยให้ฟัง เป็นหลักการสําคัญนะหลักการสําคัญและอย่าลืมมาที่จริงมันเกี่ยวข้องกับชาวบ้านทุกทุกคนนั่นแหละผลการยานธรรมตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับพระทุกทุกรูปเหมือนกนันไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉพาะโยมหรอกเลิฟังเทนไหร่เสียงทําจากมหาจุไรศีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไพ่บูรณ์ในธรรมต้องมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นโดยทั่วกันสวัสดี